เออนี่ทราบกันจำไหมจุกกรทนาบกันขาวใจผิดตามคู้ใช่เป่าฟังว่าทนายเพิ่มปัญจิมาบรมแมนศึกษาศึกษาเขียนอย่างทนายเพิ่มนยังกมลศึกษาก็เลยเอากำหนดจิมม่าหลอดมา่อใดจึงรู้เหตุพูดออกมาให้เพิ่มบริเพิ่มบริเพิ่มกำหนดว่าจิมาเฉพาะข้าใจบอกผนูจ่าซื้อๆเยี่ยมไปยกโทษเพิ่มเพิ่มเจเจทหน้าดีอยู่เพิ่มร่วมกันย่างใดเพิ่มเห็ุแล้วเพิ่มปัญจิมาเอามาถวาย มีแล้ว บ, บอกกันที่ใช้ก็ค่อยพูดเด็กผู้ก็ท่านได้เพื่อเห็ น, นิสัยนเพิ่นก็เล็กูดเพราะว่ามันเป็นการบอกบุญลูกหลานขึ้นอาจจะไปทั่วถึงกันเจอไข่จิตไข่อัดที่หลังมาถ้าสมมติยต์ให้ไครอัดมันเอารำซิ่งกับเพิ่นพมแดนมาคอสุิสานเห็นอินฟังออกหรือลองเส่งกับอีสานมาค่อยฟังเพ่งไทยรำซิ่งกับรำเพิ่นลำเมียงแล้วเอาใช้กับมิสัยขอบงคนเด็ก จากการกระเพิ่อนพุ่มแดกฟังใจสบายเพื่อนทงแดกเหมาะที่สุดเลยเขาจะได้เข้าใจเพื่อนกับเพื่อนน้าเพ่งเพื่อนกับเพื่อนน้าบุญของแม่เขาจะลองเพ่งกับตามเพมิพวมวลเพิ่มสนุกก็จะเป็นบุญเป็นสนุนล้วนๆมันก็แทรกอยู่น้ำกันไปน้ำกันเพระาะว่าจิตนี่จะมีอุบายยังไม่แต่ตามแต่ใครสิเชิงนี่หล่อมันจะไปทํานอกอะไรแต่ตามแต่ไม่เป็นเชิงเดที่ดีงามมันมีโทษมันจะคอยกล่าวไปข้งมันเองนะ จึงบอกว่าเด็กน้อยก็เหมือนกันเงินบาทหนึ่งก็ได้ก็กเล่บอกว่านี่ยอ้ผู้หญิงุกโอ้ให้ผี้ห ม, ม, มุนเนาน้องแอยังพันได้ล่าสิ่งไม่เหมือนกอน่อนเนาะล่ำสิ่งสายสารเขาฟังออกหูจักรโลกผมก็ลองเสียงเป็นท่านวก็อาจจะเด็เป็นพระอินทร์เลเสียงเป็นท่านเนพระอินทร์เสียงเสียงควงเสียงดังเสียงมวนเียงงามผู้เผย รพระอินทำไมพระแม่วิัยมันประวัติคนมาขําดอกขํามเนี่มันอยู่ที่ไหนนะเห็นทางไหนเชียงใหม่ก็รู้เนี่ยพระอินมาฟังทําท่านบ่อยที่สุดท่านเทศอภุมัญญาสูงสุดที่ดีสวดอธิโคเตนาภควตาเนี่ยพระอินชอบมากโอเทคอันนี้ผู้ผู้สวดก็ไม่ได้กำไม่รู้เรื่องพระอินชอบอภุมัญญาสูงเหมืท่านผู้มีญาณเชื่อว่าท่านกำหนดไม่รู้ว่า เทพแบบไหนเทพภาษาอย่างไงมันไม่ได้พูดเหมือนกันเราพูดกันพูดมนุษย์อย่างนี้นะ่ะอันนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้กําหนดพูดอย่างนี้นะ่เะเป็นการนึกขึ้นในใจอันนั้นมันรูปอ่ะอันนี้รูปมนุษย์นั้นอารูปหมายถึงว่ามีจิน ญ, ญาณเอ่ะสงอยู่แในปรากฏเป็นรูปก็คงสแสดงเป็นออกมาให้ปรากฏว่ารูปเทวดาคื อ, องนั้นโลกพระจินทรืออนั้นไม่ใช่พรองสแสดงถึงยานเค่งนุ้งเ่งเห็นก็ ภาพหมด น, ะนั่นผู้ที่เจ้าคุท่านแสดงธรรมจักรตรนนี้นีในบรรดาหมู่โลกธกาตุรู้หม ด, หมดหเทวดารู้ถูกว่าที่นี่ไอจีกกมันมืดที่สิ่งอะไรปกคุออยู่คืออน่าของกิเรนนาน่าลนนนนโลกก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีอันนี้เป็นเป็นอ่ะหมดอวิชาหมดเลยเป็นพื้นเพรของอวิชาคือแสดงโทษที่ ถ้ายังละยังถอนมันไม่ได้กั็กหนุ่งที่พูดแล้วก็เป็นโทษอยู่อย่างนี้แต่คนเจ้าักจะถอนจริงหรือไมนน่นึงมีศรัทธาความเชื่อมัน่นมีสิ่งเก็บเอาเขาแค่บุญใจเป็นกุศลแยบเดียวตอนนี้ไปเจ็บเอาแล้วทุกนักปราชญ์ท่านจึงเห็นโทษแห่งความที่ไม่มีกุศลเป็นที่เลี้ยงอืจึงเป็นอันตรายกับจิตดวงนั้นมากทีเดียวที่จะพาไปเกิดไปตายพบใดชาติใดกิ่งเหมือนไฟเผาโยนตัวเองอยู่ตลอด ผู้มีธรรมเมตตาผู้มีจิตบริสุทธิ์เป็นบิสุทธิที่จิตจึงพี้ยนก็พวกเราจะมาเทียบกันไม่ได้เนีผมคิดพวกเราสงสารเมตตาคนนัเรื่องอย่าไปคาดไปหมายเอทั้งพวกเป็นคารวะก็ตั้งอุตสาห์พยายามบำเพ็ญคุณงามความดีดีใดไม่มีโทษนั้นพอแล้วจากนั้นก็ก้าวขึ้นความขึ้นสัจจวัตรศีลเข้าไปดีธรรมนี้เองที่จะก้าวลงมา พาจิตวิญญาณตัวนี้เป็นท่องเที่ยวในวัตาสงสารตีกับตีกันจะเป็นที่สมหังคือสิ่งแบบนี้เทะนะ่านั้นอย่างอื่นไม่มีพวมโลกก็ไม่สมหังความโกรธก็ไม่สมหังโลกผัวใครโรคเมียใครก็ตามไม่มีเรื่องสมหังมีแต่เรื่องเพิ่มไฟเผาตัวเองใครเล่นใครเป็นใครเพลินก็คงรู้อยาจะเห็นโทษมคนมีแต่สร้างปัญหาบุ่นวายจะอันหน้าตัว น, นมันมันแรงมันกล้าก็เลยถือว่าเราเป็นเราเป็นของเราถึงว่าดีว่าเด็ก ถือวพราะอำนาจตอนนั้นมันบิดอำนาจพิเดชน์มันบิดมันบิดหัวใจมขมแย่จัวใจมั่นเป็นพูดในขันทิมุติสมังคีผมรักบิดหัวใจหัวอะไรอะไรขันนะรู้ผมเรารู้อย่างนี้ผมรักไม่บิดหัวใจจริงรู้อดทนไม่มได้วจะมาอดทนมาต้านมาทานมันมก็ไม่ใช่ ง, งา่ายๆแต่มันดีความอดควทนในทางที่ดีงามม่ดี ท่านจึงบอกทางสายนี้เป็นทางดําเนินของพระเอียยาจย์ทั้งหลายท่านจึงบอ ก, กบอย่างนั้นเรนนี่จึงบอกเดื่องคราวนี้หมดแล้วอำเภอใคไม่มีเงินก็ยินยิ น, ยนมุทนาด้วยกันจะเอาคนทุกข์ยากลำบากมาหมดมาหีดของพระธรรมนี้ที่ผู้พูดนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปให้กกเกิดทุกข์เกิดแต่จะให้ช่วทราบกันมาเอาพลังน้ําใจที่มีคุณค่าคือบุญกุศลนี้ทุ่งเข้าไปสู่ข้างหลวง แม้ตะไม่มีเงินก็เอาบุญตัวนี้เจตนาอนุโมทนาด้วยกันสาธารณการเป็นพร้อมเพียงกันเป็นจิตเป็นกุศลล้วนๆจะพลังคุ้มครองก้องกันชาติไทยเราให้เจริญรุ่งเรืองเพราะอํานาจตัวนี้คือบุญกุศลนี้ผู้ให้ก็ให้ด้วยกําลังทั้งเงินด้วยทั้งกําลังใจด้วยเอาความบริสุทธิ์อันนี้เข้าไปไม่ใช่เบียดเบียนลูกหลานไม่ใช่รบกวนอะไรไม่มีถ้าพูดเป็นธรรมไม่มีแต่ทะโลกกว่ารบกวนเพราะกําลังทุบํายา กิเดชตอนนั้นมันบนว่าบวรบกวนซะแต่จริงไม่ได้บรบกวนคือจึงบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็อนุโทนาอันนี้เป็นสายทางร่มเย็นแก่ผู้นั้นเด็กผู้ที่เห็นในกนุโุทนาก็ยิย้มแย้มแจ่มใสยี่ง อ, อกดีใจไปด้วยกันเป็นกุศลล้วนๆจึงเอาข้อนี้เป็นพลังสําคัญเข้าไปในขังหลงจึงบอกอมีน้อยมีเสน่อมจึงไม่เกี่ยวว่าใครจะออกเท่าไหร่ก็ออกตามสบายใจมีเสน่อสองเสื่อย่างพวกคนที่ัยเข้ามาเงินเหรียญ น, นี้เยอจริง มีแต่เงินเก็บหาสิจเดต่างหรืออะไรของออกกันแล้วบอกออกได้เลยไม่ต้องมันจะได้แค่ไหนดีกว่าไม่ได้เช่เลยจากนั้นแล้วไม่มีกระดูกธนานี่ใจซ่ววัดหนึ่ก็ดีจิตเป็นกุศลวัดหนึ่งก็เป็นความฉลาดแล้วกุศลนี่เป็นพาให้ฉลาดเองเอากุศลคือคิดทุกข์ยากลำบากเรมองใจตัวนี้เป็นฝ่ายปกคุมที่ทําให้เราเดือดร้อนรุ่นวายึเกิดขึ้นจิตตัวนี้เองท่านจึงบอกให้ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นพยายามอักครับให้มันดีด หมูจ่จิมบอกมีหมายถึงบรรดาพวกเราทั้งยังเป็นผู้มีการปกครองในททางโลกมีครอบครัวผัวเมียหาอยู่มายจิมซึ่งห น, นีจะไม่ได้ในวัฏฏะอันนี้แตจะต้องหนีไม่พ้นท่างยังให้บอกทางก้าวเดินคือความใจเป็นบุญเป็นกุศล ด, ดังนั้นก็อย่าประมาทที่พูดแล้วบังคับเอาหน้าจิตหิวไม่ไม่บังคับมันไม่ได้หรอกว่าผ้ามันเปขี้เกียจขี้เกียจไม่ดียังไงจิต้อง พิจาราเอาขัตตัวใครตกมันก็รู้ไม่ได้ผลอะไรเลยบังคับอย่างน้อยก็ให้มันได้ถึงสุดเวทิปโนนี่ก็พากันจำเอาไว้นะพวกเราทุกคนเคยพูดบ่อยๆก่อนเน้นก็เหมือนทานอาหารนั่นแหละมันไหนก็ทานข้าวเหนียวนี่นแหละก็ยังอร่อยบุญนี่ก็เหมือนกันนะแต่พูดมีเทียบทางนอกไปบเทีงางในก็เหมือนกันเราเลึกถึงบุญที่มีส่วนเวลาไหนดีทั้งหมด สมัยพระแม่โอจันมั่นท่านไม่ได้สอนอะไรมากนะคารวานะเนี่ยเราไปเห็นบ้านนาะเกลมมันอาศ า, างปากกลางเนี่ยมันไปอยู่กับเขาอะ่ะแต่ทามเขาท่านพระแม่โอจัมั่นสอนอะไรโอ้ยท่านสอนให้ตอนเช้าพาชาวบินทบบาทาชาวบ้านเขาปวตาตดเก็บใบไม้ออกไม่มีตาดกา็ทำาทําสั้นๆกว่าเก็บใบไม้ออกท่านไปท่านก็สอนให้ไหวพระอาหาุถึงสุงสปฏิบณโหนจากนั้นเรียนออาอาหารสุปิโตโหมิเท่านั้นพอ ให้มันขึ้นปากเสียก่อนพวกเราน่าจะได้นั่นหรือใครได้มากเขาเนิ่นก็อนุโมทนาแล้วหลวงพ่ออนุโมทนาว่าขึ้นใจให้มันได้ขึ้นปากให้มันได้ให้ลูกหลานไหว้ไม่ต้องระวนพาไปส่วนรออขึ้นบ้านใหม่อย่างนั้นอย่าง น, น, นี้พวกเราส่วก็เป็นมุคล น, น้อมถึงพระพุทธเจ้าภาษานั่นเป็นภาษา ม, มุคลหมดจรินอย่ามากวนข้าท่านเลยมีปีหนึ่งก็เขตเราพวกคนจะทราบกันนี้ไม่ได้สอนเป็นพิธีนะ สอเป็นภาคปฏิบัติจริงๆเราสวดมนต์ประไทายข้าเปลือกไป ห, หนึ่งก็เอาน้ำมนต์ไปสาบหรือไปพรมบ้านของใครของมันที่เห็นมากอะไรที่ขัดอกขัดใจที่เห็นมากมันจะเป็นผีเป็นปอกอะไรไปแล้วแต่ตามความเชื่กของคนบ้านนอกก็เอาน้ำมนต์ไปโปรยผีมันอยู่ไม่ได้หรอกหนีออกจากกิจักวารเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าทรงนอกรัตนสุลให้พระมนต์ นั่นนะทำเป็นผลิตจากบุคคลไปสว่วนหนึ่งใครท้าเียจะเกิดโรคระบาดโรคระบาดก็หมายถึงว่าโรคของง่วงตายกันจนหาบอกไม่บาดจังหวัดจนอมอนุเข้ามากินสิงอีกจํานวนมากมายพระคงบึ้งบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายก็งมากราบเรียนเอกราบมุนที่พระพุทธเจ้าให้สเสด็จนั่นอันนี้จำไม่ถนัดเพราะว่าตำนานนี้จำไม่ขนาด้แต่ว่า สันสนส้นเสด็จหรือไม่สเสด็จตามที่ชัดเจนคือเรื่องทําเป็นปฏิตะหมู่คลให้ให้ความเมินไปโปรโยปรากฏว่าน้ำมนต์นั่นพาสาัดเข้าไปนี้อัมนุษย์หนีไปจักรวาลพออํานาจพุทธมนตของพระธิจานั่นจึงได้มีการมีเหตุมีผลที่จะควรสวดมนต์ก็ควรสวดบ้านใครอนี้เหมือนกันอีกไม่มีอะไรก็น้ําพุทธมนต์ปีหนึ่งเราสวดทําประทายเข้าสวดก็บอกแล้ววัดเรานี่หาไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็จะ บุญนี้จะมีเป็นรวมคือ บ, บุญจะรวมสามัคคีหมายถึงว่าเราเคยทํากันมาแต่พ่อแต่แม่บุญกุ้มเข้อไงเราให้บุญกุ้มข้อไงบุญประทายข้าวปลือปีหนึ่งออกขั้นหนึ่งเสียเพื่อรวมสามัคคีกันใครมีเท่าไหร่มารวมกันให้เป็นประโยชน์นี่บุญรวมกันส่วนไม่รวมกันเราบอกไปแล้วการไม่พลาดสดมนบุญตัวนี้มีแต่บุญลุ่นๆลุ่นๆกั น, นกไม่ฆ่าตัดตัดชีวิตตัวนี้วันหนึ่งสองวัน ก็ยังดีหรือแปดวันงดได้วันหนึ่งก็ยังดีเสียเลยให้เขามาตีเราทุกวันที่มาข้าเราทุกวันที่ไม่นยิบเราก็ยังุงกัดก็ยังลองีคิดอ่านคิดในเราคิดในจิตจินเขาเนะี่ยมันไม่คิดจริงๆนะนี่ก็เคยเป็นคารวา่าเป็นอยู่กับพ่อกับแม่มาพวกเกาสอนตั้แก่หาอยู่หา ก, กินได้กินได้ปลามากโอ้โหดีอกดีใจพอไปถึงบ้านแม่เห็นมีปลาดีอกดีใจแล้วยิ้มนั่นเป็นเรื่องโลกเป็นองสงสาร ถ้าอยู่ในขอบเขตไม่ผิดกฎหมายกม็มีอะไรอันนั้นเป็นเรื่องโรคถ้าเรื่องคำนะโว้การกระทบกระเทือนกันชีวิตจิตใจร่างกายนี้ใครก็หุนห่วงท่านจึงบอกว่าปาณาจิป า, าตางในนั้นมาหนีฉินตอนนั้นและจะสร้างร่างกายให้มีมีโครคภัยไข้เจ็บแล้วเป็นคนรูปสวยรูปงามก็คือการไม่เดยดเบียนซึ่งกันในกันท่านก่อกล่าวไว้ชัดเจนอเลยเดียวถึงบอกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งทุกยาตขนาดไหนใครอุตสาพยายามได้ แต่รังสิบห้าวันได้สินห้าเปอร์เซ็นแต่ศึกษาให้เข้าใจให้จดจ่อจริงๆอันนี้เป็นพื้นเป็นนิสัยที่จิตจิตจิตใจเป็นจิงทําอะไรให้จริ้มจับมันเคยโกหกพวกลมกับพำก่อแล้วเละเหลวไหลลอยแหลกไเจ้าจิ้เอาที่แรกมันได้สินหนึ่งปีหนึ่งก็ยังดีให้มันจิ้มันจังกับสินห้าปีหนึ่งมีสี่สินอย่างนี้ก็ยังดีนี่พัรษาหนึ่งได้ยัอย่างดีอันนี้แหละมันเป็นพื้นเพย์เป็นฐานของจิตเป็นนิสัยเป็นปัจจัยที่จะก่อ เให้ปลดปลีความร่จสงบ ร, ร่มเย็นแก่ชีวิตเกิดมาครอบใดชาติใดอันนี้นแนจะสนับสนุนคือตัวนี้เท่านั้นเห็นอื น, นไม่มีความโลภความโกรธความหยงไม่มีมีแต่พังทลายพังทลายมีจะ่ทำลายตัวเองตัวเองเท่านี้เองมันไม่รู้นี่จึงอาศัยจึงหว่าการได้ยินได้ฟังนะครูบาอาจารย์ที่แรกก็เหมือนไม่ได้คิดทําไปฟังไปมันจะเชื่อมเข้าไปเชื่อมเข้าไปนะไปเขคิดอันนั้นได้คิดอันนี้ได้มีสติขึ้นมาเตือนตัวเองที่นี่คอยลากไป สิงเชื่อช้าแล้ะมกไป อ, ออกไปออกไปขยอยออกไปขยอยออกไปพอมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นกล้าขึ้นหมบสิงห้ามันก็สมบูรณ์แบบพอที่งห้าสมบูรณ์แบบเกิดมีความสุขอะไรทิ่งไม่ไม่เกินสิงห้าในโลก น, นี้นู่นเป็นพระเจ้าเจา้าพักลุนีเอบริสุทธิ์แล้วก็เป็นพระเจ้ า, จากับเจ้าพักถ้าทิ้งบริสุทธิ์ยังไม่ขั้นขอนดโลกจากโลกนะ่ะ <c> อ <oughs> ยังกูพูิเจ้าทันเป็น จึงว่านขนาดเจดีก็ยังเหมาะสร้างพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเสมอเกิดยุคใดสมัยใดแผ่โลกจะมีความอุดมสมบูรณ์โดยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นี้จะมีในหลวงพันบาลีขนาดไหนพวกนักการเ ม, มืองพกุ่งรุ่อไม่ได้ดูถูกนะเพราะยุคนี้เขาว่านักการเมืองก็พูดไปตามสับท์นั่เฉยๆนี่มีแล้วมันนิยมสิ่งที่โกหกพกลมซึ่งกันและกันมันดีอะไร นี่ไม่ได้ดูถูกเอาไปคิดดูสิเดี๋ยวนี้คนยุทธท่ายุงูรั้นหลานก็เป็นป้าเพราะการโกหกหไม่ใจกันไม่ได้เลยพ่อแม่ลูกเดือนนี้แล้วเห็นพิชิตชัดเจนมีความสุขอะไรถึงมาแข่งศาสดาแล้วมาแข่งพุทธเจ้าลองดูสิไม่โกหกพคตลงไม่หรอกไม่ต้มไปสุนกันลองดูสิทําไม่ได้รับความสงบลมเย็นตามศาสนาสอนไม่แล้วซึ่งนี้สอนโลกให้มีความสงบลมเย็นจริงไม่เห็นตรงไหนที่จะไปแย้งพระองค์ได้เอาไปคิดไปอ่านดนีิ อศาสดาสอนโนกมด้วยความเมตตาจริงๆพระองค์ทำมาหมดแล้วเป็นโทษอะไรๆจรงหวดสว่างค้าธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างไม่มีบทใดบาดใดที่จะทําให้พวกเราเสียหายไม่มีเลยทั้งแต่ความรู้จักเจ็บรู้จัดใช้เกิดคยพูดให้ฟังแต่ความขยันมันเพียงเดี๋ยวนี้ร่างตัวร่านใจมัก็ไม่สะอาดเลนะเพราะความสะดวกจะบอกให้เลยไปคิดนะคนามสะดวกกับความมักง่ายเป็นคู่เคียงกันเลย และนี้จึงอะไรก็สลุปอะไรก็สรุปคนขี้เกียจมั่ง่ายคนอยู่ใข้าวก็จะไม่ต่ําอะไรก็จะนานไปเราถึงบอกว่าคอมพิวเตอร์มันจะหมุนอาหารเข้าไปปากเลยถึงพูดยูเพดกับภรรยาอิสานมะันจะปลูกมากไม้หมากมา ก, มากคนขี้เกียจให้เป็นเป็นตอนใต้ร่มมันจะอ้าปากแล้วผลละม้มจะล่วงลงมาให้มันกินดดนเลยว่ะไอคนขยันคาอย่างเดียวไม่ต้องฟังไอพวกคนขี้เกียจคนขี้เกียจคนนั้นจะเสียเปลือกตัวเองคนขยันคนนั้นได้ ชนะควขี้เกียจขึ้นไปความมั่งมีดีเด่นเกิดขึ้นมาเศรษฐกญจก้าวขึ้นก้าวขึ้นสูญญ 9, 9, ส ง, ง, งพวกนี้พวกขี้เกียจว่าง่ายมิเตนอนจมนอนจมเงินจมไม่ได้อะไรเลยพระขี้เกียจก็เหมือนกันเนมขี้เกียจเหมือนกันใครขี้เกียจไม่มีบทเราะศาธาตัดไว้ชอบแล้วคขี้เกียจไม่ดีใครฝืนศาธาอ้าวฝืนจุดนี้จะเสียจุดนี้โกหกไว้ดีฝืนจุดนี้จะเสียจุดนี้โกดไม่ดีฝืนจุดนี้จะเสียจุดนี้เราเอามาสอนเราที่เอามาสอนจิตใจของเราจริงๆนั่นแหละสาธาเอก แล้วอกจนสามจึงยอมกราบสมัยที่ใครเรียนจบมาอะไรด็อกเตอร์อะไรที่ไหนมีไหมเทวดาเขายอมกราบไหม ท, ที่จะมาแข่งศาสดาทีา่จ่มาอวดเก่งกับพระพุทธเจา้าไม่เห็นมีท่าหะไรเทวดาบางทีเขาหัวเระยะดีไม่ดีเพราะโกโหกเก่งนี่ไม่เห็นเร่อเลยอะไรอันนี้อันนี้แสดงเป็นแค่นี้พอเอาละแค่ น, นี้พอ เล้ ว, าลวราก็เดี๋ยเราดูกันจะให้เอาให้สร้างฟ้งเออให้พอฟังแม่พระพุทธเจ้งเดินมาเลี้ยงเราเนี่ทยทมหลักขั้มพระพุทธเจ้ามาอโอ้พวกพระอินมาฟังพระพุทธเจ้าเนาะไอ้ชูมิตรบอกว่ามันไปลองชูมิตรฟังคะแนนร้องมองีคนรู้ผมรู้ผมรู้มีคนรู้เนี่อ เดินหาพากันกลับได้ดีไม่มีอะไร